คือคือมันรู้แล้วมันติดไปไม่ได้รู้แล้วละละได้ที่ว่ารู้สอบสอบวารู้คือต้องไม่ติดไปแต่เรามันติดไปติดไปมีอารมณ์ร่วมติดไปมีอารมณ์ร่วมแต่มันก็เห็นตัวหนึ่งนะคะพระอาจารย์คือมันเห็นมีสิ่งหนึ่งที่ที่รู้อยู่เฉยๆที่ไม่มีแอคชั่นอันนั้นผิดหรือเปล่าอ้ตั ว, ย ไ, ตวยไปล่อยวางไอ้ตัวนี้ไป อย่าไปยึดไอ้ตัวนี้ไอ้ที่รู้เฉยเฉยที่ไม่มีแอคชั่นเราก็วางไปอีกปล่อยวางไปอีกแต่ก็รู้อยู่นะรู้อยู่แต่ไม่ยึดอะไรของเราไปยึดไอ้ตัวที่รู้เฉยเฉยไว้ต้องวางตัวนี้แหละคับพระอาจารย์คือก็รู้อยู่เนะี่ยมันก็รู้อยู่แต่ไม่ยึดรู้ไม่ยึดรู้ที่เฉยเฉยเราจะพยายามไม่นรรลุเฉยเฉย ไอ้ตัวเนี้ยมันเฉยไม่เฉยเราก็แค่รู้มันรู้แล้่เฉยมันรู้แล้วไม่เฉยก็แค่รู้แต่เราพยายามให้มันรู้เฉยเฉยอ้นี้่ผิดมันมีผลข้างเคียงแต่เราพยายามให้มันทำรู้เฉยเฉยมันจะมีผลข้างเคียงเราจะจิตแช่นิ่งเฉยติดแช่นิ่งเฉยติดแช่นิ่งเฉยแต่เราจะแก้อย่างไรคะรแก้ก็คือปล่อยปล่อยวาง ป่อยวางไอ้อย่ามันจะรู้เฉยหรือรู้ไม่เฉยเราก็วางไปรู้แล้วว่ามันรู้ไม่เฉยแล้วก็วางไปรู้แล้วว่ามันเฉยมันเฉยรู้มันรู้เฉยเฉยแล้วก็ปล่อยวางมันไปคือรู้ว่ามันรู้เฉยเฉยเราก็วางมันไปมันรู้แล้วไม่เฉยเราก็ปล่อยวางมันไปือยังไม่เข้าใจเดี๋ยเดี๋ยวหนูไม่เข้าใจเนี่ยดูดูดูหน้าตาแล้วไม่เข้าใจ ค่ะคือไม่ทราบว่าจะวางยังไงค่ะอีกตรงเฉยๆเนี่ยค่ะพระอาจารย์ถ้าเราไปยึดใอ้ให้เฉยไว้มันก็มันก็ยึดแล้วก็ตอนนี้ก็ยุ่งละยุ่งอะมันจะมันจะติดแจ้ติดนิ่งจิดเฉยเพราะเรารู้คิดแล้วเราก็ค แ, แค่รู้ว่ารู้แล้วก็วางไปวางทั้งสิง่งที่ถูกรู้วางทั้งผู้รู้วางทั้งสิ่งที่ถูกรู้วางทั้งผู้รู้คือรู้เนี่ยได้แต่แค่รู้แต่ว่าแค่รู้แค่รู้ ท, ท, ทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้เนี่ยไม่เกิดเลยขึ้นกแค่รู้แค่รู้คือเท่ากับเป็นวา ง, ท, าง ท, ทั้งสิ่งที่ถูกรู้วางทางั้งผู้รู้อ่ะไม่เข้าใจเ น, นี่ยงงแลวดูและยังงงงงเดีย๋ยวมุ้ยมุ้ยช่วยเราหน่อยเนี่ยเอเนนนี่เยงเขายังไม่เคยมาเลยเดี๋ยองดี่ให้ให้มุ้ยช่วยอธิบายก่อนเดี๋ยวมันเราจะเสริมให้เรสงสัยแล้วนั่งใกล้กล้กันช่วยช่วยอธิบายทีอ่ะฝั่งังมุ้ยทีหนูหนูเป็นคนชวนเขามาเองอ่ะอ้าวนี่งาไม่ช่วยอธิบายมาก่อนเห็นไหม เอาก็เลยงงเราแล้วไม่คือคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เหมือนกับคุยคุยทำกันเนี่ยน้องเขาก็จะพูดว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างที่ที่พูดครั้นี้ก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้างั้นมากราบหลวงตาดีกว่า คือเพราะว่าเวลาฟังทำอะไรอย่างนี้น้องเขาก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะเขาข้างในเขาก็เป็นแบบนี้ถูกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยว่าเออถ้างั้นก็เลยชวนมากราบหลงตาเลยเจ้าค่ะแต่เข้าใจแล้วนี่จะไม่ให้เราแก้เนี่ยแต่ครั้นี้แต่แต่เคยแต่เคยบอก แต่เคยบอกน้องเขาค่ะว่าเวลารู้อะไรเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้วางให้ย้อนกลับมาที่ผู้รู้ผู้รู้เมื่อรู้อะไรแล้วเนี่ยมันจะคิดนึกตึกตองปรุงแต่งหรืออะไรก็วางวางก็คือ no action กับมันวางไม่ใช่ไปจับมันวางหรืออะไรวางคือ no action กับสิ่งที่ปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นในนั้นน่ยมันก็เลยมีแต่ปรากฏการธรรมชาติที่ทํางานไม่ได้มีตัวเราอยู่ในนั้น มันมีสิ่งหนึ่งเขารู้ได้เขาก็รู้มีสิ่งหนึ่งเขาเป็นสิ่งที่ถูกรู้เขาก็ถูกรู้ไปสิ่งที่ถูกรู้เขารู้ปุ๊บเขาก็เกิดดับส่วนผู้รู้นะ่ะที่เขารู้อะไรแล้วนะ่ะเขาก็ปรุงแต่งคิดนึกติ๊กตองเขาก็เกิดดับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้สิ่งนั้นเกิดดับก็วางวางหมายความว่าไม่ต้องไปอะไรกับเขา ส่วนเอ้รู้หนึ่งที่รู้สึกรู้แล้วมันมันไม่เกิดไม่ดับก็เรื่องของมันก็คือไม่ว่าอะไรมีอะไรข้างในเป็นไงก็ปล่อยหมดนะ่ะก็เลยให้มันเป็นแต่ธรรมชาติอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค้าหลวงตาโยมมีข้อหมายเพื่อเช็คบลกเต็มเลย ในใจมีเครอหมายคือจะมาเต็มเลยเอามาเอาไม้ให้พูดหน่อยเอาเอาให้พูดเต็มที่ได้แล้วคือที่ที่เข้าใจในส่วนที่คือทุกอย่างที่หนูหนูไปติดที่ไปแช่อยู่ที่ตรงที่รู้ที่นิ่งๆใช่ใช่ใชที่ตรงเนี้ค่ะที่จุดตรงเนี้ค่ะที่หนูว่าตรงเนี้ยหนูต้องผิดแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นรู้รู้ว่าผิดจะแม่ล้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะอนทีจะรู้ว่ามันผิดแน่คือเมื่อเกี้ที่ที่พี่มุยพูดนะคะว่ารู้แล้วก็ แค่รู้อะค่ะพระอาจารย์อแค่นั้นเองค่ะใช่ใช่ใช่ไหมคะที่หนูคิดตรงตอนเนี้ยถูกต้องไหมคะแค่รู้เท่านั้นเองใช่ไหมคะแค่รค่ะอันเนี้ยหนูก็กลับไปปฏิบัติเท่านี้ใช่ไหมคะอืมจะแค่รู้แค่รู้มันจะนิ่งหรือไม่นิ่งก็แค่รู้ค่ะแค่รู้รู้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองใช่ไหมคะพระอาจารย์เข้าใจเองว่า คือเข้าใจอะไรก็คือเข้าใจว่าแค่รู้แค่รู้เข้า ใ, ใจอะไรคือเข้าใจว่าที่สุดมันมีแค่นี้คีย์เวิร์ดมันมีแค่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์คีย์เวิร์ดมันมีแค่นี้ใช่ไหมครับแค่รู้เท่านั้นเองใช่ไหมครับก็นี่อ่ะที่ที่พายาพายาคารวะไปอ้อนวอนพระพุทธเจ้ากอดเท้าหิวหิวพระนิพพานมากเลยหิวหิวติดพระนิพพานมาหลายชาติชาติก่อนนู่นพาไปปฏิบัติบนหน้าผาจะอดข้าวตายอดข้าวน้ำตาย ก็ไม่รู้นิพพานโปณบอกรู้ไว่้นิพพานเป็นยังไ ง, ท, ไงทําไงมนเจ้ารู้นิพพานได้พุทธเจ้าบอกฟังให้ดีถ้าเธอสึกแต่ว่ารู้หรือแค่รู้เธอจะบรรลุนิพพานจะสิ้นความมีตัวตนของเธอในโลกนี้และโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นสิ้นอุ ป, ปทานสิ้นภพชาติเธอจะบรรลุนิพพานถ้าเธอแค่รู้หรือว่าสึกแต่ว่ารู้จริงๆไปย่าฟังจบบราารลุอรหันต์เลยเล่น่านเลย ไม่มีอะไรกว่านี้จบแค่นี้แล้วก็อยู่กับรู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กับรู้อยู่กับรู้อะไรก็รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่แค่รู้ไม่ยึด อ, อะไรสักอย่างเดียวไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวไม่ปรารถนาอะไรสักอย่างเดียวก็ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีทุกข์ไม่มีตัวตนครับนามัจ ก, การค่ะหนูเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วก็สงสัยตรงตอนจากเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่า ที่บ้านก็เป็นแบบว่าไหว้ทุกอย่างอะค่ะแล้วคุณแม่เขาก็ชอบพาไปไหว้ทุกอย่างแต่เราเราก็ไปตามก็โอเคค่ะแล้วก็ทีนี้เหมือนมีของเอาเอาเข้ามาในบ้านแต่ว่าของหนูหนูไม่ชอบที่แม่เอาอย่างงี้มาในบ้านก็เลยเป็นคนเอาออกไปวางข้างนอกบ้านเองอะคะ่ะจะไม่ได้ทําลายตอนนั้นก็ไม่รู้เอาออกไปวางแล้วอย่างงี้มันจะติดตัวไหมคะแล้วก็ขอขอคําแนะนําปฏิบัติทําแบบ ให้สม่ำเสมอเออถ้ า, ามไม่มีใจยึดอะไรแค่รู้ก็จะไม่มีอะไรติดถ้าใจเราแค่รู้นะมีอะไรมันเยอะๆเพราะว่าจบโดยแค่รู้อะไรก็มีภายนอกก็แค่รู้ภายในใจเกิดอะไรขึ้นแค่รู้เราคิดอะไรก็แค่รู้แค่รู้และทุกขณะปัจจุบันหรือว่าสักแต่ว่ารู้อันนี้ไม่มีอะไรติดเลยเพราะตัวตวนไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตวนไม่มีถ้ามีอะไรติดก็คือติดอยู่ในใจเรานี่แหละถ้าไม่มีอะไรติดอยู่ในใจเราจะไม่ไม่มีอะไรติดเราได้ ไม่ว่าจะเป็นคุณไสเป็นผีเป็นอะไรก็ตามทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเราเนี่ยไม่เป็นเจ้าการในเวรเราที่เราเคยทําำมาก่อนติดทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเราแค่รู้สัต ว, ว์วารู้เพราะใจเราไม่มีตัวตนแล้วปัญหาไม่เจอเพราะแค่รู้เนี่ยคือพุทโธแล้วแค่รู้นเนี่ยคือพุทธพุทโธพุทธะแปลว่ารู้หรือว่าแค่รู้หรือว่าสัตวะรู้หรือรู้ซื่อๆเนะี่ยคือพุทธโธ แล้ก็เป็นผู้ตื่นก็คือตื่นจากความหลงแล้วเป็นผู้เบิกบานคือไม่ไปยึดไม่มีตัวเรารู้สึกว่ามีตัวเราไปยึดอะไรแค่รู้จริงๆไม่ไปรู้แล้วยึดอะไรให้นํามากดทับใจิตใจให้มีความทุกข์ความเศร้าหมองถ้าเราแค่รู้หรือสักตะวรันรู้หรือรู้ซื่อๆทุกขณะปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกอันนั้นเน่ยเป็นพุทโธพุทธะและ้วถ้าไม่มีกรรมเวนมา ให้ผลจริงๆต่อเราอะ่ะก็ไม่มีอะไรทําอะไรได้นอกจากกรคำเวรที่มาตัดรอนบับกรคำเวรที่มาตัดรอนถ้าไม่มีบัตรคำเวรที่เคยทําต่อกันก็ไม่มีอะไรครัอย่าคือก็ทําไม่ได้พวกผีพวกวิญญาอะไรก็ทําไม่ได้เพราะว่าเป็นพุทธโธเป็นพุทธะแล้วอยู่กับรู้นั่นแหละอยู่กับรู้เป็นพุทโธพุทธะแล้วขอคําแนะนําปฏิบัติทำรรให้คือบางวันอยากทําบางวันไม่อยากทําอยากจะมีอุบายยังไงไหมคะให้ ทำให้ฉันหม่ำเสมออะไวันไหนอยากทำก็แค่รู้วันไหนไม่อยากทำก็แค่รู้ <pe> <meno> <f cool> ขานาดได้มันขี้เกียจก็แค่รู้นอนนอนมันอยากขี้เกียจเดินก็นอนอยู่ก็แค่รู้แต่อย่าหลับเออแค่รู้ไว้เฮ้อมันขี้เกียจยังไงก็จะนอนทำ น, นอนแค่รู้ก็ได้นั่งก็แค่รู้หรือว่าสักตะวารู้หรือรู้ซื่อแล้วภาษาอะไรโดนเราก็เอาละนั่นแหละ จะเรียบทไหนก็ได้แต่และขี้เกียจอ่ะหกเมนตีลังกาก็ได้เทคีเกียดอ่ะเอาขาจีฟ้าก็ได้เออแต่ก็แค่รู้นะเออแค่รู้แต่เมื่อไหรอย่างเงี้ยเออเออเอ๋อตาคะเออที่บอกว่าแค่รู้ทีนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี้ยจิตใจยังไม่ตั้งมั่นสิ่งกระทบเข้ามาเนี้ยรู้อยู่แต่ว่ามันเหมือนกับเรายังวางมันไม่ได้ยัก็ใจผิดแล้ว ที่บอกว่ามาหนูอย่างจิตใจไม่ค่อยตั้งมั่นไม่ค่อยตั้งมั่นแล้วรู้ได้ไงถึงว่าไม่ตั้งมั่นรู้ได้ไงว่าไม่ตั้งมั่นมันมันมากระทบแล้วเหมือนกับว่าเออระวางมันไม่ได้มันก็ยังมากระทบแล้วรู้ได้ไงว่าวางไม่ได้ก็มันกระทบเรื่อยๆก็รู้ว่าแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าวางไม่ได้ก็ยังรู้สึกว่าจิตใจมันยังหวันไหวยังเอแล้วรู้ได้ไงว่าจิตใจวันไหวก็รู้มันตลอดเออก็ถูกแล้วอ่ะ แต่ทีนี้ยังรู้สึกว่าเอาก็รู้ตลอดอ่ะเอารู้เนี่ยไม่ได้เอาว่ารู้แล้วต้องเป็นยังไงไงอ๋อฮะอ๋อก็คือรู้ไปเรื่อยๆจ่กว่จะวางมันได้อ่าบบ่บ่ก็แค่รู้ไงอ๋อฮะเดี๋ยวทําไมต้องบองไปวางอะไรก็แค่รู้เนี่ยคือวางแล้วอ๋อฮะแค่รู้สับตะวะรู้เนี่ยว่าอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้สัตะวารู้นี่คือวางหมดทุกอย่างเลยฮะเดี๋ยวแต่ยังมีการรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรา เรายังไม่ไม่ไม่สบายเหมือนกับว่าเรายังมีสิ่งที่มากระทบแล้วเรายังดูไม่ออกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปนะฮะเออไม่ต้องดูออกอย่างนั้นเหรอเพียงแต่ว่าเรารู้ได้ไงว่าไอ้ตอนเนี้ยเราไม่ยอมผ่านไปรู้ไหม <c oughs> ตอนเนี้ยเรายอมให้ตุกอย่างผ่านไปรู้ไหมแล้วตอนเนี้ยเราไม่ยอมให้ตุย่านผ่านไปรู้ไหม อ่าก็รู้ไหมรู้เป็นช่มชั่วบางทีแบบพอเลือกโอเคมันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบเออเราอย่าไปติดกับมันมันก็จะเหมือนกระดับไปแวบเองมันจะมันจะติดหรือไม่ติดก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่สนใจอะแต่รู้ไหมอ่ะรู้ค่ะเออมันไม่ติดมันติดรู้ไหมรู้มันไม่ติดรู้ไหมรู้ก็เอาแค่รู้เอค่ะไม่ต้องว่าเอารู้แล้วไม่ติดรู้ทุกขนาดติดรู้ทุกขนาดติดเออเอารู้ทุกขนาดติตปัจจุบันไม่ต้องว่ารู้แล้วต้องมันจะไม่ติด รู้แล้วมันจะต้องไม่กระเพื่อมรู้อะไรมันจะต้องเข้าไปถึงใจคือรู้ยังไงเอาตามนั้นเลยรู้ปัจจุบันให้ถึงตรงตนั้นเลยเขาเรียกว่าซื่อซืตรงไปตรงมาค่ะซื่อซื่อตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันรู้ซื่อซื่อนิพพานมีหนังสือหตาเล่มหนึ่งรู้ซื่อซื่อนิพพานแล้วทีนี้เอหลวงตาจะแนะนํายังไงเพื่อพัฒนาให้ก้าวหน้าแล้วก็คืออย่างน้อยๆให้ ทำให้ดีที่สุดนะคะดีที่สุดก็คือแค่รู้ก้าน่ายสุดก็คือแค่รู้ใช่ทุกขณะปัจจุบันแค่รู้ทุกขณะปัจจุบันคือรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาอแค่รู้จริงนะปัจจุบันรู้จุประเด็นมันเป็นยังไงก็แค่รู้จริงๆนะค่ะขานจริงหรือเปล่าแล้วบางบางบางสิจะเอาผลนะเนี่ยค่ะมันึงจะเอาผลอยู่จะไม่เอาแค่รู้จริงๆมันไม่จบที่แค่รู้ของโยมเนี่ยมันจะยังจะเอาผล S <S เพราะโยมหมายผลไว้โยมหมายผลที่ผิดไว้โยมไม่เอาแค่รู้ <S <S ไม่ได้จบจงที่รู้ไม่ได้จบลงที่แค่รู้ไม่ได้จบลงที่สักตวารุไม่ได้จบลงที่รู้ซื่อตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นแต่โยเอาผลโ<ร>ยห ม, มายผิดเรา ไ, <ว>ไม่ต้องไปแก้แกอะไรเลยเพียงแต่รู้ให้รู้ทันปัจจุบันแค่นั้น <S 2> <S 2> ถูก ไ, <S <S ไหมในแค่รู้เนี่ยมันคือรู้ซื่อๆนิพพานนะสักตะวารุนี่นิพพานคือถ้าเราสักตะวารุจริงๆด้ใจของเราอะสักตวารุมันเป็นยังไงมันจะดีมันไม่ดีมันจะแย่ไม่แย่มันจะ ขนาดไหนก็ตามถ้าเราสักตะวะรู้ได้อย่างเดียวจริงๆอ่ะสักตะวัรู้หรือว่าแค่รู้หรือรู้ซื่อๆได้จริงๆอ่ะอย่างที่ตกไปตกมานี่นี่ผ่านแต่โยมไม่ได้เอาอย่างเงี้ยโยมว่าก็แค่รู้ก็สักตะวะรู้ก็พยายามสักตะวรัรู้แล้วมันทำไมยังไม่เป็นอย่างนู้นอีกอ่ะอย่างนี้ไม่จบแค่รู้มันจะไปจบที่ผลอันนี้ผิดนะโยมหมายผิด อ, <painted. S 3> อืถ้าแค่รู้มันต้องไม่กร ะ, ะเพื่อมเลยอกระเพื่อมรู้ไหมกระเพื่อมว่ารู้เอาแค่รู้นะจบแค่รู้ เอาแต่แค่รู้แหละกระเพื่อมต้องหายไปมันต้องไม่กระเพื่อมกระทบอะไรนั้นต้องไม่กระเพื่อมกระเพื่อมรู้ไ่ะรู้กระทบอะไรไหมกระเพื่อมรู้ไหมรู้ก็เอารู้ไงเอาแค่รู้แต่ไม่ว่าเอากะเพื่มหรือไม่กระเพื่มอมเข้าใจไหมจบลงใช่ใจเรายอมรับว่ามันแค่นี้จริงๆว่าทุกขณะปัจจุบันยอมรับมันตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันมันเป็นยังไงก็แค่รู้แต่แค่รู้แสดงว่าไม่มีตัวเราเข้าไปยึดเลย <c oughs> ไม่มีตัวหลักก็ไม่เสวยเลยมันดีก็ไม่มีใครยึดมันชั่วก็ไม่ก็แค่รู้ไม่มีใครเข้าไปยึดเลยถ้าแค่รู้จ ร, ie, จริงๆไม่มีใครเข้าไปยึดแต่ถ้าเราบอกว่าก็มันไม่ดีอ่ะมันเป็นกิเลสมันเป็นอย่างงุ่เป็นอย่างเงี้ยเราแค่รู้ไหมล่ะถ้าเราแค่รู้มันมันแอ บ, บมามันเป็นกิเลสเป็นแตเราบอกเป็นกิเลสมันเป็นไม่ดีเป็นอกุศลถ้าเราแค่รู้ไม่มีกิเลสเลยแม้แต่มันเป็นอกุศลแต่เราแค่รู้ไม่มีคนยึดไม่เป็นกิเลสไม่ต้องไปตามแก้แค่รู้แล้วก็พยายามอ่ะอยู่ตรงนั้น กแค่รู้แค่รู้อริยปฏิปัจจุบันปัจจุบันเลื่อยไปถ้าเราจบลงที่ใจต่อถ้าเราแค่รู้ได้ก็คือนิพพานถ้าเรามุ่งมั่นขนาดนี้ก็จบแล้วว่าถ้าเราแค่รู้ได้ก็นิพพานคือจะสิ้นยึดเลยแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้รู้แล้วมันมันต้องสะอาดบริสุทธิ์มันต้องนิ่งรู้แล้วต้องมันต้องไม่ก่อเพื่อมรู้มันต้องไม่หน่วยวารู้แล้วมันต้องไม่มีกิเลสอย่างนั้นอ่ะโอ้อย่างนี้มันยึดตลอดแนวยึดตลอดสายไม่มีทางพรรลุได้แล้วถ้าเราจบลงแค่รู้แสดงว่าสิ้นยึดเลยไป อาการจะเป็นยังไงก็จ้างมันอาการจะเป็นก็จ้างมันจ้างมืองจ้างมันอจ้างช่างมันจ้างมันทุกขณะปัจจุบันแสดงว่าไม่มีใครยึดเลยดีก็จ้างมันไม่ดีก็ช่างมันเนี่ยมีคนปฏิบัติจิตนิ่งสงบว่างมากเลยแล้วต่อมาปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นอีกเลยเครียดมากเลยทุกมากเลยมันพยายามจะให้มันเป็นเหมือนเดิมที่มันนิ่งสงบว่างมากเลยทุกอยู่นานเป็นเดือน ไปเจอพ่อแม่ครูอาจารย์ของหลวงตาคือลัพบุ t h าจารุธโมดที่ท่านบรรพพาไปแล้วท่านก็บอกว่าเจอหน้าปุ๊บทะานก็บอกว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเอามาทางนั้นแหละแล้วท่าก็หัวเราะคนเนี้ก็ทุกมาตั้งนานเลยว่าใจมันไม่สงบพอหลวงปู่พูดว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอาพูดว่าใส่สารสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเอามาทางนั้นแหละ แค่นั้นน่ะความทุกข์ในใจบันหายหมดเลยอ่ะมันไม่ได้สนใจเลยว่าจะสงบหรือไม่สงบอ่ะความแต่ความทุกข์บันหายไปอ่ะแม้แต่ใจไม่สงบแต่ความทุกข์หายไปแม้แต่ใจไม่สงบเนยแต่ความทุกข์หายไปแต่พอเราจะมาเอาให้มันสงบุ เ, เป็นเดือนๆ เ, เลยความทุกข์เนี่ย เพราะว่าเราจะไปยึดอะไรมันเป็นอะไรมันจะเป็นทุกข์เราไม่ยึดอะไรอ่ะแม้แต่มันเป็นอวุโสเราก็ไม่ยึดมันเป็นอะไรก็ไม่ยึดสักอย่างเดียวไม่เอาสักอย่างไม่เอาไม่เอาหรือว่าภาษาของพ่อแม่คุณบายเอามาทุกอย่างเนี่ยอะไรก็เอามทุกอย่างเนี่ยแต่ไม่หลงไปกับมันสักอันเดียวอะไม่หลงคืออะไรดีก็ไม่ดีก็ไม่ไม่ดูดเข้ามาชั่วก็ไม่ฝากใส่ไอ้ที่เราไม่ชอบก็เอาทั้งนั้นแหละอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอาทั้งนั้นแหละหรือว่าเพื่อไม่ให้ไปปฏิเสธอะไรไม่ให้ไักกสอะะรแค่่นนจ็มดทุเลย เขาก็ใจมันไม่มีทุกข์อะไรเลยอหัวเลเาะออกมาได้เป็ของตัวเราเองแล้วก็รู้ให้รู้ทันปัจจุบันแค่รู้ <S <S ตามความเป็นจริง <S <S โดยที่ใจยอมรับได้ใจยอมรับตามความเป็นจริงได้ว่าแค่รู้จบลงที่ใจแค่รู้ทุกขณะปัจจุบันจบลงที่ใจแค่รู้สักตวัรู้ทุกขณะปัจจุบันจบลงที่ใจแต่ไม่เลยจบที่ว่าถ้ามันแค่รู้สักตวัรู้แล้ว มันจะต้องไปเป็นอย่างไรอันนี้แสดงว่ามันไม่ใช่จบแค่รู้แล้วมันจะต้องไปเป็นอะไรเอ๊ะทำไมถ้ามันสักแต่รู้แล้วมันทำไมต้องเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้อยู่ได้ไหนแล้วเกี้ยวล่ะร้ผมร้องไห้มาหลายคนแล้วเพราะว่ามันไม่จบลงที่ใจแค่รู้แต่มันจะไปผลว่าถ้าแค่รู้มันจะต้องไมปเป็นอย่างนี้ทีแทนแค่รู้มันจะต้องไปเป็นอย่างนี้ถ้าสักแต่รู้จริงๆมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องมีมันจะต้องไม่มีกระเพื่อมันจะต้องไม่มีอะไรลนะแล้วแต่แล้วแต่หมายเอาไว้เหอะ อย่างนี้มันก็ดีรักชั่วชังเกียด <_ T own> ทุกรักสุขตายสิถ้าแครรู้มันก็มีแต่ความสุขทุกไม่มีถ้าแครรู้มันก็จะมีแต่ความดีความชั่วไม่มีอ้ยพระเจ้าตัสว่าถ้ายังติดสุขอ่ะทุกย่อมไม่หายไปถ้าเราจะบอกว่าแค่รู้แล้วมันต้องมีแต่ความสุขทุกไม่มีอะอย่างเงี้ทุกตายไม่มีทางอ่ะทุกก็ต้องติดคู่กันมาเพราะว่าเราเกียดข้างหนึ่งเรารักข้างหนึ่งไอ้ไหนที่เราอะเกียรมันก็ต้องทุกไว้ เรารักข้างหนึ่งมันก็รู้สึกเป็นสุขไว้อย่างนั้นสุขกับทุกข์เ็คู่กันตลอดนะแดะเพราะว่าเรารักฝั่งหนึ่งก็เกลียดฝั่งหนึ่งจะต้องทั้งไม่รักไม่เกลียดเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเออเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นภาษาเขาเรียกว่าแค่รู้แต่ภาษาของบารีเขาพูดเฉพาะรู้ว่าประตูก้าวข้ามโลกไปถูงพรนิพพานคือยะถาภูเจยาณทัศนะใจยอมรับตามความเป็นจริงรู้เห็นและยอมรับตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันภาษาเขา เขาว่าอย่างนั้นยะถาภูตยาณนะทนแล้วเป็นเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นอต่ให้รู้รู้เห็นแล้วยอมรับตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันแต่เวลาท่านมาใช้แปลคํากับพยะใช้คําว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเพราะแม่ครูบาอาจารย์เราใช้คําว่าหลวงพุทธาว่าผู้ซื่อภาษาอีสานผู้ซื่อผู้ซื่อเออรู้ซื่อรู้ธรรมดาแต่ของเราอ่ะแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่จบลงที่ใจแค่รู้ การนมัสการเจ้าค่ะหลวงตา ห, หนูกราบเรียนถามเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าคะถ้าจบที่ใจที่สิ่งนั้นดับไปมันเหมือนลืมไปเลยอย่างนี้ไหมเจ้าค่ะทําทไมหลังๆวันนี้เหมือนขี้ลืมเจ้าค่ะคือมันดับอย่างอย่างเช่นพอฟังธรรมเนี่ยหนูสังเกตตั้งแต่ตอนนั้นที่ที่ไปกราบหลวงตาที่เ อ, อวังม่วงอ่ะเจ้าค่ะ พอหลวงตาสอนน้องเขาก็ฟังก็เข้าใจแต่พอเดี๋ยวสักพักนึงถามว่าหลวงตาพูดว่าอะไรมั่งเนี่ยให้คิดให้นึกอย่างนั้นไม่ออกแต่พอเกิดมาอย่างเนี้ยมันถึงจะได้อะทิ้งความรู้ไปมันไปอยู่แบบไม่มีอะไรเลย อ, อยู่ความไม่มีอะไรทิ้งความรู้ไปรู้ทิ้งความรู้ความรู้อ่ะ มันมีอะไรอยู่แต่ไม่มคยึดทิ้งความรู้ไปความรู้ที่ว่ามันมีอะไรอยู่ทั้งที่มีและที่ไม่มีไม่มีใครยึดทั้งที่มีด้วยนะแล้วก็ทั้งที่ไม่มีอะไรไม่มีใครยึดความรู้มันรู้ว่าสิ้นยึดแล้วอยู่กับความรู้อยู่ความรู้ความรู้เลยไม่ทิ้งความรู้ความรู้ว่าแับนี้สิ้นยึดแล้วสิ้นยึดสิ้นยึดทั้งความมีและสิ้นยึดทั้งความไม่มีอือยู่กับความรู้เราทิ้งความรู้ไปทิ้งความรู้ อย่างก็เรารู้เนี่ยว่ามันมันเาไนเหมือนดับหมดเลยเหมือนดับหมดเลยมันเหมือนอะไรดับไปหมดเลยเนี่เราก็รู้ว่าอะไรเหมือนดับจะอยู่ความรู้อย่างนั้นแหละมันดับก็ดับแต่ในความดับมันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรต่อในความดับมันก็มียุทธิคุณยังไงมันรู้ธิไปอย่างไรที่มัเหมือนดับเหมือนเราไม่รู้อะไรเลยมันก็พูดอีกก็ปล่อยมันว่าทุกอย่างมันมี มันมีอะไรเกิดขึ้นมาทั้งความมีทั้งความไม่มีมีใครไปยึดอะไรไหมล่ะหรือปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ไม่มันไม่มีใครไปยึดไม่มีใครไปยุ่งยุ่งวุ่นวายกับมันไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปสเสวยหลวงตาเจ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่หนูเคยส่งไลน์กลับเรียนถามหลวงตาในไลน์อ่ะเจ้าค่ะคือเข้าใจคําว่าเพื่อนสองตัวที่มันคอยกระซิบกระซิบตลอดเวลามันก็จะมีช็อตหนึ่งคือหลงไปเชื่อ ฉบอที่สองก็จะมีอีกแบบหนึ่งแบบที่สองก็คือรู้เรื่องที่มันกระซิบแต่ว่าไม่ไม่เชื่อไม่ไปทําตามติกแบบหนึ่งก็คือหมายความว่าเหมือนเหมือนเราไม่สนใจฟังทีนี้หลังๆมาเนี่ยที่ที่หนูฝึกอยู่ก็เหมือนกับว่าจะกระซิบอะไรก็เหมือนไม่สนใจฟังเมื่อไม่สนใจฟังเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเขายุกยิกยุกยิกไปแต่ว่าไม่ไม่มีความหมาย ไม่ไม่ไปไม่รู้กระทั่งเรื่องวาวอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็อยู่อย่างนี้ไปเจ้าค่ะก็เลยมารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรพอบางทีมันเหมือนดับแต่ถ้ามีส ก, กิทขึ้นมาก็อ๋ออันนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าอยู่อยู่ให้นึกขึ้นมาเลยนะ่ะมันเหมือนเราเรานึกขึ้นมาไม่ได้นะเจ้าค่ะรู้ตรงความดับไหมรู้ไม่ไเฉยเจ้าค่ะรู้อ่ะ รู้ตรงความดับแต่ที uh, so hear ่เราดับอ่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวมันจะรู้ว่าไอ้ผู้ที่รู้ความดับเนี่ยมันพูดได้อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันรู้ตรงความดับเนี่ยไม่ต้องไปหาสัญญาไม่ต้องไปหาความหมายไม่ต้องไปหาว่ามเข้าใจเลยรู้ตรงความดับเน่ยเดี๋ยวเข้าใจตรงนั้นเน่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สัญญาเลยทั้งหมดเจ้าค่ะรู้ตรงความดับอ่ะเนี่ยเจ้าค่ะมันจะดับยังไงก็รู้มืนตรงนั้นเน่ะ Uh huh. อยู่กับรู้ น, นั่นแหละอยู่กับรู้แค่รู้เจ้าค oh ่ะเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจความหมายว่าไอ้ผู้ที่รู้ความดับวอาเป็นยังไง hmm. มันมันพูดว่าทำไมมันดับแบบนี้ทำไมเราเออแบบนี้ไอ้มันว่างไปหมดหรือยังเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะพูดได้ไอ้ตรงรู้เนี่ยะมันก็จะพูดขึ้นมาแต่ไปหมดเลยก็แค่รู้แคร่รู้มันพูดอะไรขึ้นมาก็แค่รู้มันบทอะไรขึ้นมาก็แค่รู้ <Okay. S 2> มันไม่ดับหรอกรู้ตรงความดับเนี่ยอผู้รู้ตรงความดับเนะี่ยมันพูดได้เ à, จ้าค่ะกลาบขอทัะคุณเจ้าค่ะเออมันก็จะพ้นจับสภาวนาดับแต่ถ้าดับเราไปอยู่แต่ตรงที่ดับมันก็เออไปเลยตรงนี้แต่อยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้ความดับเพราะผู้รู้แล้วยังต้องปล่อยวางผู้รู้ไปอีกคือคําว่าปล่อยวางผู้รู้ก็คือสักแต่ว่าอาศัยว่ามีรู้แต่ไม่ยึดรู้อาศัยต้องว่ามีรู้อยู่แต่ไม่ยึดรู้